จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อใเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไป <c oughs> ฉะนั้นวันนี้ก็จะได้พูดในหัวข้อว่าบุญริยาวัตถุสามประการนะบุญริยาวัตถุสามประการ คำว่าบุญกิยาวัตถุนี้มีความหมายก็คือว่าสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบาเพ็ญบุญสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบาเพ็ญบุญเรียกว่าบุญกิยาวัตถุมีสามอย่างหนึ่งทานะไมบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานสองศีลลไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสามภาวนาไมย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาีนะนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายมาเข้าใจคำว่าบุญเจนิดหน่อยนะคือคำว่าบุญนี้ได้แก่ธรรมชาติอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมชำระจิตใจให้บริสุทธินะ์ให้บริสุทธิ์อันนี้เรียกว่าบุญนะเพราะคาว่าบุญนี้เป็นเครื่องชำระนะเหมือนกับแป้สบูที่ชำระ อเสื้อผ้าอาภรณ์ร่างกายของเราให้สะอาดข้อนี้ฉันใดบุญก็เหมือนกันย่อมชำระจิตใจของเราให้สะอาดฉะ น, นั้นและก็บุญนี้ยังมีความหมายไปอีกเยอะเช่นว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขนะขึ่งชื่อว่าบุญแล้วก็เป็นความสุขทางนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไลยว่าสุโคปุญญาจะอุจโยว่าการสั่งสมบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขนี่และก็บุญนี้ก็คือเป็นของเย็นนะเป็นของเย็น คนที่มีบุญนั้นก็คือว่าเป็นคนที่เย็นเย็นอายเย็นกายเย็นใจไม่มีพิษไม่มีภัยนะสบายใครคนมีบุญน่าเป็นคนสบายเราจึงบอกว่าคนไหนที่เขาอยู่ดีกินดีมีสุขน้่งรวยเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีเราจะมักจะพูดว่าเป็นบุญของเขาเป็นวาสนาของเขานี่ฉะนั้นรีกว่าคนมีบุญนี่คือว่าเป็นคนเย็นเป็นคนใจดีหรือว่าคาว่าบุญนี่ยัง แปลว่ากรองก็ได้นะกรองก็ได้กรองกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้เบาบางลงไปให้หมดไปนี่ฉะนั้นความหมายของบุญก็คือว่ารวมสั้นๆก็คือว่าเป็นธรรมชาติที่ให้เกิดความสุขนะหรือว่าเป็นเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธินั่นเองนะทีนี้บุญนี่ก็จาแนกออกเป็นเหตุนะออกเป็นเหตุเป็นผล ออกเป็นเหตุเป็นผลคือคนที่อจะทําบุญนั้นก็คือว่าเรียกว่าต้องเป็นคนไม่เห็นเกตตัวก็จึงจะทําบุญได้นะจึงจะทําบุญได้แล้วคนที่ไม่มีโทสะก็คือว่าคนอัตโทสะอันนั้นก็เท่ากับว่าเป็นคนมีศีล น, นะเป็นคนมีศีลแล้วก็คนที่ไม่มีโมหะก็คือว่าเป็นคนที่จเจริญเจริญภาวนา นทั้งหมดก็เป็นบุญทั้งนั้นเรียกว่าบุญเป็นเหตุนะเป็นบุญเป็นเหตุฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงบุญแล้วทุกคนก็อยากเป็นคนมีบุญกันทางนั้นนะแล้วทุกคนจริงๆแล้วก็อยากทําบุญกันทางนั้นเอคนที่ไม่อยากทําบุญก็รู้สึกว่าเห็นจะมีน้อยเหลือเกินนะเห็นจะมีน้อยมากนะทุกคนได้อยากทําบุญแต่นั่นแหละบางครั้งเราก็ทําบุญไม่ถูกบุญนะทําบุญไม่ถูกบุญหรือว่า ทำบุญไม่ถึงบุญก็เรียกว่าทำดีไม่ถูกดีหรือทำดีไม่ถึงดีนะทำดีไม่ถึงดีอันนี้ก็มีเยอนะขอให้ท่านลองคิดดูในสังคมของเราทุกวันนี่มีมากนะที่เรียกว่าทำบุญไม่ถูกบุญนะทำดีไม่ถูกดีบางคนท่านก็เขาก็เปรียบไปว่าทำบุญนีเ่เปรียบเหมือนกับว่าอาบน้ำโคลนนะเราทุกคนอาบน้ำก็หวังใจ อ่าจิตใจเย็นสบายร่างกายเย็นสบายนะให้มันสบายแล้วต้องการให้ร่างกายสะอาดแต่ถ้าเราเอาน้ําคลอง ม, มารดมาราดเนี่ยมันจะสะอาดได้ไหมไม่ได้นะําสะอาดไม่ได้มันก็เปื้อนนะบางคนอาบอทําทบุญก็เหมือนกับกระแป้งอาบน้ําแป้งหรือว่ากระแป้งแต่งตัวก็คือว่าอาไปแล้วก็ยังทํายังเปื้อนแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมหน่อยถึงมันเปื้อนมันก็มีกลิ่นหอมหน่อย แต่มันก็ยังเปื้อนอยู่นั่นแหละนะยังเปื้อนอยู่นั่นดังนั้นประเภทสุดท้ายบางคนทําบุญก็คือว่าเหมือนกับอาบน้ําใส่น้ําฝนโรงงานเถอะอาบแล้วก็มันแข่งตัวสบายตัวสบายใจนะเกลี้ยงไปหมดเลยนะดังนั้นการทําบุญก็อันนี้ก็เปรียบได้กับในหลักสามประการคนที่ว่าทําบุญเหมือนกับอาบน้ําโคลนก็คือว่าทําบุญแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ นะไปฆ่าสัตว์ชีวิตเอาชีวิตเขามานะอย่างนี้ก็คือว่าเราไปทำลายชีวิตเขาก็คือว่าเท่ากับเราไปสร้างบาปนะสร้างบาปสร้างศัตรูสร้างเวรสร้างกรรมอ่า น, ะนี่นี่เรียกว่าทำบุญเหมือนกับอาบน้ำโคลนฮยิ่งทำก็ยิ่งเปื้อนว่าไงเถอะแทนที่ว่าตนเองทำแล้วจะได้บุญมันก็เกลยได้เป็นบาปเข้าไปอีกนะได้เป็นบาปจริงอยู่ บางครั้งเราก็อาจจะได้บุญแต่ว่าได้ไม่เต็มที่นะได้ไม่เต็มที่ทีนี้บางคนก็ทำบุญแล้วก็เหมือนกับอา บ, ออาบน้ำแป้งหรืออาบทําแล้วก็เหมือนกับได้กระแป้งแต่งตัวถึงแม้ว่ามันจะเปื้อนแต่มันก็มีกลิ่นหอมก็คือว่าทําแล้วก็มีคนชมเชยยกย่องรู้สึกว่าตัวเองนั้นดีใจปลื่มใจแล้วก็บางครั้งก็ให้สิ่งที่ตนทาทานะมันก็ไม่ถูกไม่ควรนะ เป็นว่ามีการทําบุญกันก็มีการาเลี้ยงสุราเมรัยกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่งงานก็มีการเลี้ยงสุราบวชพระก็มีการเลี้ยงสุรานี่แหละเหมือนกับอาบน้ําแป้งมีคนชมบอกแหมไปในงานนี้โอ้โหเลี้ยงสุรากันเต็มที่เลยเลี้ยงเบียร์กันเต็มที่เลยแหมบ้านนี้มีแต่แม่โค้งทางนั้นเลยบ้านโน้นมีแต่สามสิบดีกรีอะไรอย่างเงี้ยเรามากักจะยกย่องชมเชยอย่างนี้ อเจ้าของบ้านก็ดีใจปลื้มใจนี่แหละเหมือนกับระแป้งนะแต่ว่าทําบุญประเภทสุดท้ายก็คือว่าทําบุญแล้วก็หวังเอาบุญโดยที่ว่าไม่เบียดเบียนอชีวิตของเขามานาไม่ไปฆ่าเขามาอ่าสิ่งวัตถุที่ตนเอามาทําบุญนั้นได้มาโดยชอบทำนะไม่ไปเอาชีวิตเขามาไม่เป็นรักเขามานะอย่างนี้ใช้ได้นะทําทด้วยความบริสุทธิ์นะทาความบริสุทธิ์อย่างนี้ทําบุญได้บุญ คนจะชมหรือไม่ชมตัวเองก็ได้บุญแล้วก็ทําด้วยการตั้งใจประกอบไปด้วยเจตนาสามเรียกว่าก่อนทำก็ตั้งใจดีในขณะทํานั้นก็ตั้งใจดีไม่เสียดมเสียดายและทําไปแล้วก็ยังดีใจปลื้มใจว่าตัวเองได้ทําบุญนี่อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าทําบุญเหมือนกับอาบน้าําใสอาบน้ําฝนน่ะอย่างนี้ตีนี่ก็อ่าพูดให้ท่าน เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญเมื่อพูดถึงบุญมันก็ต้องคู่กับบาปนะให้ทำบาปก็ตรงกันข้ามบาปนั้นก็ถือว่าเป็นอธรรมชาติที่ทําลายล้างหรือว่าทําลายล้างความสุขก็คือทําให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความเดือดร้อนนะบาปนี่ก็คือทําให้เกิดความเศร้าหมองนะทําบาปเองก็เศร้าหมองเองไม่ทําบาปเองก็ไม่เศร้าหมองเองนะ ในคว่าทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่ก็เป็นหลักเป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนานะเป็นหลักเป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาว่าเราทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นฉะนั้นในเรื่องบาปนี้มันมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็มาซึ่งโทษอาเวทเอานําม า, นมาซึ่งโทษแล้วก็เวรภัยต่างๆนานาฉะ น, นั้นเราอย่าทําเลยเรื่องบาปนะไม่ดีใช่ ท่านผู้ฟังอาจจะนึกเพียงอยู่ในใจว่าเรายังเป็นปุถุชนเราจะต้องทําบาปอื ừ, ทําบาปด้วยกายวาจาใจไอ้อย่างนี้เราอย่าไปคิดว่าเราจะทำบาปนะอย่าไปคิดคือเราทุกคนไม่คิดหลอกว่าเราจะทําบาปบางอย่างเราทําเรารู้เราก็ควรจะพลาวไว้บ้างหยุดยั้งไว้บ้างนะหยุดยั้งไว้บ้างอจริงอยู่บางอย่างเราก็ทําโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่สิ่งใดที่เรารู้ว่า มันเป็นบาปเป็นกรรมมากเราก็ต้องควรจะละควรจะวางไว้สักบ้างอันนี้ก็จะทําให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแลให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็เท่ากับว่าเรารู้จักเคารพในสิทธิเคารพในชีวิตของกันและกันไม่ก้าวไก่กันไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายร้างฐานกันก็เท่ากับว่าเป็นการต่ออายุให้ยืนและก็ยังมีการปรารถนาดีมีเมตตาอบอุ่น อ, อารีซึ่งกันและกันให้ชีวิตซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล ทีนี้ทางที่จะให้เกิดบุญนั้นมันก็มีมากนะมีมากจริงๆแต่ว่าในที่นี้ยกมาสามอย่างก็คือทานละไมบุญสําเร็จด้วยการบริจาคทานนะศีลละไมบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาในข้อแรกที่บอกว่าทานละไมบุญสําเร็จด้วยการบริจาคทาน ความหมายคําว่าบริจาคทานในที่นี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการให้ทานเป็นบุญอย่างหนึ่งฉะนั้นคําว่าทานคํานี้ก็จําแนกออกไปเป็นสามอย่างคือหนึ่งอามิจจทานอนะสองธรรมทานสามอภัยทานนี่นะอามิสจทานธรรมทานอภัยทานคําว่าอามิจจทานก็คือว่า เรามักจะแปลกันว่าให้อามิตรคำว่าอามิตนี่คืออะไรอามิตรก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารนะอาหารข้าวน้ำนี่เองแล้วก็ที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์ท่อนสบายแล้วก็อยู่ยายรัรกษาโรคอย่างนี้แหละคือปัจจัยสี่นี่เรียกว่าอามิตธรรมหรือว่าพวก บูชาพระด้วยดอกไม้ต่างๆเนี่ยดอกไม้เครื่องหอมต่างๆนี่เป็นการบูชาด้วยอาวิธทั้งนะถือว่าอาวิธดังนั้นคำว่าอาวิรเนี่ยตามความหมายของภาษาเขาแปลว่าเหยื่อนะเขาแปลว่าเหยื่อในคาว่าเหยื่อนี่ก็หมายถึงว่าเหมือนกับเหยื่อล่อปลานะเหยื่อที่เราไปเกี่ยวเป็ดเอาไปล่อปลาหรือว่าล่อสัตว์ต่างๆเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเหยื่อปลาพอมันกินเหยื่อก็มันก็ติดเด็ดนะมันมีเบ็ดอยู่ข้างในนะเอาเหยื่อหุ้มไว้ อมันก็ติดเด็ดเมื่อมันติดแล้วเจ้าของก็จูงจูงสายเบ็ดปลาจะต้องตามว่าเขาจูงไปทางไหนก็ไปทางนั้นได้สมตามความมุ่งมา่นปรารถนาฉะนั้นพูดถึงเหยื่ออามิสถานนี่เหมือนกันเป็นเหยื่ออะไรเป็นเหยื่อเพื่อจะจูงจิตใจของคนเรานให้มาในทางที่ดีก็ได้ในทางที่ชั่วก็ได้แต่ในทางนี้หมายถึงประสงค์ในทางที่ดีน บางคนนี่ก็เอาเหยื่อล่อในทางที่ไม่ดีนะ่ะเอาเหยื่อล่อในทางที่ไม่ดีวางเป็นกับดักไว้นะ่ะอันนี้ก็มีนะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรานี้มีเยอะเกี่ยวกับว่าพวกเรานี้เพราะชอบเหยื่อกันอยู่แล้วนะ่ะฉะนั้นคนที่ชอบเหยื่อก็เช่นว่าชอบของขวัญ น, นะชอบรับของขวัญมากๆนะรับสินบนมากๆาเนี่ยก็ถือว่าพวกที่หลงเหยื่อติดเหยื่อพวกนี้ถ้าไม่ได้กินเหยื่อไม่ได้รับเหยื่อรู้สึกว่า เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนที่เขาเรียกว่าเห็นเหยื่อแล้วก็ทำตาโตนะนี่พวกนี้พวกนี้พวกโลกมากนะเห็นแก่ตัวนะพวกนี้ไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมพวกนี้ทำลายประโยชน์สุขของส่วนรวมอ่านพะวกนี้ก็ย่อมมีเวรมีภัยย่อมมีกรรมมากนะย่อมมีกรรมม า, ากฉะนั้นอามิสฐานก็คือได้แก่ให้ข้าวให้น้ำนะให้เสื้อผ้าอาพร้อมทานสบายที่อยู่อาศัย อดอกไม้ต่างๆนาๆนาเนี่ยถือว่าเป็นอามิตรทางนั้นอย่างนี้ถือว่าอามิตรสถานประการที่สองก็เรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมทานก็คือว่าให้ความรู้นะให้ธรรมนะอให้ความรู้ให้ธรรมะยังนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่กําลังฟังธรรมะจากทางสถานีวิทยุนี่แหละอย่างนี้ถือว่าผู้ พรที่พูดหรื อ, อคนที่พูดนั้นถือว่าเป็นการให้ธรรมทานนะให้ทำเป็นทานให้ความรู้อนะให้หนังสือตำรับําราทุกสิ่งทุกอย่างนีน้ถือว่าเป็นการให้ความรู้ทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าให้ธรรมทานนะให้ธรรมทานทีนี้ในธรรมทานกับอามิสฐานถ้าจะถามว่าอย่างไหนมีประโยชน์มากกว่ากันอืมแน่นอนที่สุดธรรมทานมีประโยชน์มากกว่า เพราะอามิตรทานคือข้าวน้ำเสื้อผ้าอภรรงสบายที่เราเอาไปกินไปใช้ไปบริโภคนั้นนะ่ะมันให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้เฉพาะในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นนะให้เรามีความสุขเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นมันก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งก็อาจจะให้เกิดทุกข์เกิดโทษได้นะในบางครั้งก็เกิดทุกข์เกิดโทษได้ยิ่งคนติดติดเหยือ่อติดอามิตรก็เกิดทุกข์เกิดโทษมากนะเกิดโทษได้ แต่ว่าธรรมทานนี้ยิ่งให้มากนะผู้รับก็มากแน่นอนที่สุดในขั้นต้นก็ทำให้ผู้นั้นได้มีความสุขมีความสบายมีความเจริญนะในขั้นกลางก็ทำให้ผู้นั้นได้มีความสุขยิ่งขึ้นนะสุขเหนือคนธรรมดานะมากกว่าคนคนธรรมดาไปในขั้นที่สามก็เป็นสุขขั้นที่สุดก็คือว่าจนสามารถได้ บรรลุมรผลนิพพานได้นะมรผลนิพพานได้นี่คือธรรมทานคือให้แล้วก็ฟังฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องอ่าสมัยพุทธกาลนั่นเรียกว่าฟังพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมแล้วก็สามารถอืมตัดกิเลสตายคลายกิเลสทิ้งเห็นจริงคือความไม่มีตัวไม่มีตนนะพ้นจากความเป็นทุกข์พ้นจากสังสารวัฏก็คือเข้าถึงนิพพานได้มีมากนะเกิดจากการฟังทั้งนั้น สุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังกินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยเนี่ยอย่างนี้ก็ทําให้คนทุกได้นะคนทุกได้ฉะนั้นธรรมทานจึงมีประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าทั้งในชาตินี้และในชาติหน้านี่แล้วก็กับคนทุกค น, นธรรมทานทีนี้ก็มีทานอีกประเภทหนึ่งในที่สามเรียกว่าอภัยทาน คือการให้อภัยซึ่งกันและกันนี่การให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือโทษโกรธกันก็คือไม่เบียดเบียนกันนี่แหละคือการให้อภัยทานและเมื่อใครเขาทําให้เราขัดใจทําให้เราผิดใจทําให้เราไม่ชอบใจเราก็ให้อภัยแก่เขานี่ให้อภัยแก่เขานี่ก็ถือว่าเป็นทามอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งด้วย ทีนี้ในทานสามอย่างนี่อามิษณ์ทานธรรมทานอภัยทานอย่างไหนสาคัญอันนี้พระพุทธองค์บอกว่าอภัยทานสําคัญกว่านะอภัยทานสําคัญกว่าเพราะว่าอภัยทานนั้นแน่นอนที่สุดทุกคนทุกคนปรารถนาทุกคนพอใจธรรมทานถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งก็ดีเป็นสิ่งดีก็ดีแต่ว่าบางคน <c oughs> ไม่ชอบนะบางคนไม่ชอบนะ หาว่าคนชอบแน่นอนที่สุดตามวัดวาอารามก็คงจะมีคนเข้าไปเต็มหมดแล้นะเข้าไปเต็มหมดนะก็เห็นจะมีคนมากอยู่ที่วัดหมหาธาตุนะท่าประจํานี้เท่านั้นเลยมั้งนะที่อื่นก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีเป็นหน้าหน้านะมีเป็นหน้าหน้ามีสําหรับมีเทศกาลอาจจะเป็นเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่าตรุษสงการานต์ปีใหม่ แต่ว่าที่วัดมหาธาตุธาตุประจันนี้มีตลอดทั้งปีนะแล้วก็ทุกๆุกปีอีกด้วยอนะทุกวันอาทิตย์ทุกวันพระนะจะเป็นเทศการหรือไม่เทศการก็มีคนไปทําบุญสุนทานอยู่มากตลอดเวลานะอยู่มากตลอดเวลาฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องจีเห็นได้เลยว่าอนะธรรมทานนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่ชื่นชอบกับคนทั่วๆไปบางคนก็อาจจะอ้างบอกว่าไม่มีเวลา หรือบางคนก็บอกว่าอันนี้มันสูงเกินไปบางคนก็อาจจะว่ามันต่ำเกินไปอะไรทนองนี้แต่ว่าอาภัยทานนั้นไม่มีคนใดไม่ชอบนะเด็กนุ่งสาวเท่าแก่พระสงฆองค์เน่อาเรียกว่าตั้งแต่ ต, ต่ําศุดสูงสุดนี้ชอบทางนั้นนะตัวเองผิดแล้วก็ชอบจะได้รับการอาภายัยเราก็ต้องมีการขอโทษเราก็ให้อาภายัยใครทําให้เราเจ็บใจเราก็ให้อาภัยเขาไม่ผูกความอาฆาตมาร้ายนะ เรียกว่าใครด่าเราเราก็ไม่โกรธใครลักของเราเราก็ไม่โกรธใครทุบตีเราประหานเราเราก็ไม่โกรธนะไม่ทํากระตอบทั้งนั้นวาน่ามัานเถอะอย่างนี้แหละเรียกว่าอภัยทานเท่ากับว่าเรานี้ตัดตัดเวนตัดภยัยนะตัดเวนตัดภยัยถ้าใครด่าเราเราก็ด่าตอบใครรักของเราเราก็รักตอบใครตีเราเราก็ตีตอบแน่นอนที่สุดมันก็จะมีแต่เวนแต่ไัย ก็จะมีแต่การทะเลาะเบาแวงกันก็จะมีแต่การประหัตประหารกันก็จะมีแต่การชกตีต่อยกันทะเลาะเบาแวงกันมันก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนบางทีถึงกับยกพวกเข้าตีกันนี่ยกพวกแกตีกันนี้ถึงแก่ว่าเอาระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านเข้าตีกันเอาระหว่างอำเภอกับอำเภอเข้ามาประหัตประหารกันหรืออย่างที่เหตุการณ์โลกรากฏทุกวันนี้ก็คืออย่างเช่น ทำสงครามเกี่ยวกับเรื่องสงครามศาสนาก็ดีอะไรอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยแถาภาคตะวันออกกลางอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะเราไม่รู้จักให้อภัยกันมีแต่การเบียดเบียนกันนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญของใครๆก็ว่าดีทั้งนั้นฉะนั้นการที่ใครมาดูหมิ่นเหยียดย้มกันแล้วก็ก็ต้องยกพวกเข้าตีกันนั่นแหละนะโค้งกันไม่ได้ทําร้ายกันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเวร เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่หรือว่าภัยย่อมมีกับคนที่ไม่ยอมให้อภัยแต่ว่าภัยย่อมไม่มีกับคนที่ให้อภัยนี่ขอให้ท่านฟังให้ดีเวรย่อมระงับด้วยเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ภัยย่อมมีกับคนที่ไม่ให้อภัยแต่ว่าภัยย่อมไม่มีกับคนที่ให้อภัยนี่คนที่ให้อภัยกับคนอื่นนะให้อภัยกับอื่นในเมื่อผู้อื่นทำผิดหรือทำให้ตัวเองไม่พอใจนั่นแหละคือคนที่มีจิตใจสูงนะไม่ถือโทษไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทอ่าไม่เอามาใส่ใจไม่เอามายึดมั่นถือมั่น ถือว่าทุกคนย่อมมีการปิดล่าใครไม่อยากจะทําร้ายกันหรอกแต่ที่ทําร้ายเพราะรู้เท่าไม่ถึงการอ่าอะไรก็ได้หรือแม้ในบางอย่างเขาจะเจตนาไปบ้างอ่าเราก็ควรจะให้อภัยเขานะคนที่ให้อภัยเขานั่นแหละคือเป็นคนดีคนมีจิตใจสูงและทุกคนก็ชอบชอบกันให้อภัยทั้งนั้นออ่าตั้งเกตดูบางครั้งเนี่ยเราเดินไปชนกันเราบอกุอ๊ขออภัยนะขอโทษนะอ่าแต่เราก็มักจะพูดแบบว่าไม่เป็นได้ อเราก็บอกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้จริงๆแนละ้วมันก็เป็นบางครั้งเราอาจจะไปทําอะไรผิดพลาดจนทำให้เขาเลือดตกยางออกก็ได้นะแต่เราบอกขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร <c oughs> คือไอ้คําว่าไม่เป็นไรไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ที่เขาเขาทําอย่างนั้นไม่เป็นไรคือไอ้ร่างกายของเรามาอาจจะเจ็บจริงอาจจะบวมอาจจะเป็นแผลอันนั้นมันเป็นแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่ถือโทษรอก <c oughs> เราไม่โกรธท่านรอก เราไม่อาฆาตปยาบาทท่านรอกนี่อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีเวทไม่มีภัยแต่ว่าคนบางคนนั้น <c oughs> เป็นคนถือโทษนะเป็นคนถือโทษใครทำผิดกับตนนั้นจะไม่ยอมให้อภัยบอกให้อภัยไม่ได้แค้นนี้ต้องชำระ <c oughs> ว่าเป็นหนังจีนว่าแค้นนี้ต้องชำระกันวาน่ากันจะไม่ยอมให้อภัยเด็ดขาดอันนี้มันก็ มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความกังวลกระวลนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมารู้จักให้อภัยกันเถอะนะแล้วเราจะเกิดแต่ความสุขเราก็จะเกิดแต่ความจเจริญรุ่งเรืองถ้าหากว่าเราไม่ให้อภัยกันแน่นอนที่สุดมันก็จะเป็นเวรเป็นภัยติดตามกันไปเป็นลูกโซ่ไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วมันไม่ใช่กค่เราคนเดียวบางครั้งเขาไม่ได้ทํากับเราแต่เขาก็ทํากับ อ, อสามีของเราก็ทํากับภรรยาของเราทํากับพ่อของเราทํากับแม่ของเราทํากับลูกของเราถ้าเขาไม่ได้ทํากับพ่อกับแม่กับภรรยากับลูกของเราเขาก็ pay, ทํากับญาติของเรานี่ทํากับพวกเพืองของเราทํากับเพื่อนของเรานี่มันเป็นได้ทางนั้นเลยมันเป็นลูกโซ่ฉะนั้นการที่เราให้อภัยเท่ากับว่าเราตัดเวรกรรมเราตัดเวรภัยนะนี่ากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ถ้ากันเราต่ออายุให้กับตัวเองและ คู่กรณีอีกด้วยนะต่ออายุให้ด้วยถ้าเราไม่ยอมให้อภัยเขาเราอาจจะประหัตประหารกันทําร้ายร่างกายกันก็อาจจะตายทั้งคู่หรือทุกพลภาพอันนี้ก็มีเห็นอยู่เยอะนะฉะนั้นสู้เราให้อภัยกันดีกว่าฉะนั้นบางคนก็ถึงกับมาการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอันนี้ก็มีมากนี่เพราะไม่ยอมให้อภยัยนะเขากลงนิดหน่อยเขาผิดนิดหน่อยไม่ยอมให้อภยัยถึงกับการฟ้องร้องกันผลนที่สุดเป็นไง ห, หมดทั้งคู่ หมดเนื้อหมดตัวทั้งคู่เอาเงินไปให้ทํานายพี่ภากษากินหมดนะฮะกินหมดอนี่เพราะอะไรเพราะปวดดีอเพราะมีทิฏฐิมานะไม่ยอมลดราวาศอกนะเอาทิฏฐิมานะต้องหากันผลที่สุดก็หายนะทั้งคู่นะหมดทั้งคู่เสื่อมทั้งคู่อนะพอตัดสินมาแล้วก็คือว่าคนนั้นแพ้คนนี้ชนะไอ้แพ้ก็แย่ชนะก็แย่นะแย่ไปด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นท่านอย่า อย่าหาเรื่องนะเขาเรียกว่าทุกจะมีก็เพราะยึดนะทุกจะยืดก็เพราะปล่อยทุกจะน้อยก็เพราะลดทุกจะหมดก็เพราะละนี่อ้าวเคะเคาะทุกจะมีใช่ทุกจะมีก็เพราะยึดทุกจะยืดก็เพราะปล่อยทุกจะน้อยก็เพราะลดทุกจะหมดก็เพราะละแต่ถ้าหากว่าเราเราไม่ลดเราไม่ละทุกมันก็ยิ่งมีมาก เราไปยึดมั่นนทุกมันมีขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นตัวอุปาทา น, นอุปาทานตัวนี้มันทาให้เกิดความทุกข์การมุปาทา น, นะความยึดมั่นถือมั่นในกรรมความยึดมั่นถือมั่นในกรรมเราไปยึดมั่นเห็นไหมทิฏฐปาทานก็คือความยึดมั่นในทิฏฐิอความคิดเห็นของตนอของตนว่าอย่างนี้ต้องถูกคนอื่นนี่ผิดหมด น, นี่นี่เรียกว่า เรายึดมั่นในความคิดเห็นของตนทําอะไรต้องถือว่าความคิดเห็นของตัวนี้ถูกเสมอไปคนอื่นไม่ถูกเลยอ่าสีลประตูปาทานนี่ก็ถือว่าความยึดมั่นถือมั่นในในเสียงพลดก็คือว่าไปเชื่อไปเขาเรียกว่าเชื่อมองคนตื่นข่าวว่างนันเถอะนะไม่เชื่อกำรำนะพวกนี้ไม่เชื่อกรำนะไปเชื่อเอาเลิกเอายามอโดยที่ว่ามันเป็น เรื่องที่ไม่ไม่มีความเป็นจริงนะไม่มีความเป็นจริงเป็นเรื่องที่เราหวังลมลมเลม้ลงเลง้ลงคาดคะเนเอานะฉะนั้นพระพุทธองค์ยังบอกว่าไอดวงดาวนะั้นมันอยู่บนท้องฟ้าจะทําอะไรได้นะทาอะไรไม่ได้ให้เราเชื่อกรรมเชื่อว่าการกระทําของเราทําดีต้องได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่ถ้าเราอย่างนี้ก็สบายใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันสิ่งเหล่านี้ยิง่งไปยึดมากถือมากมันก็ปวดก็เมือ่อย เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอาจจะหมดเนื้อหมดตัวก็ได้ประการที่สี่ก็คือเรียกว่าอะไรจะประการที่สี่มุดไม่ออกประการที่สี่ที่อุ ป, ปาทานก็คือเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในข้อที่หนึ่งว่าในกามกามุ ป, ปาทานข้อที่สอง พิถูกปาทานข้อที่สามสีและประตูปาทานข้อที่สี่ขอปราทานโทษตรงนี้นึกนึกไวๆนึกไม่ออกว่าอะไรอาขอปาทานโทษเดี๋ยวข้ามไปนิดหน่อยก่อนพูด ถ, ถึงเรื่องความอุปาทานแล้ว แน่นอนที่สุดคนถ้าหากว่ายึดมั่นออกค้อนึกออกพอดีอัตวาทุปาทานนะอัตวาทุปาทานอัตอัตอัตวาทุปาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาตัวกูของกูอย่างนี้แหละเรียกว่ายึดมั่นในตัวตนนะเอาพวกพร้องของตนเข้ามานี่นี่แหละบางครั้งก็สัญญามันไม่เกิด สัญญามันเสื่อมก็พูดไปแล้วบางทีก็นึกไม่ออกนะนึกไม่ออกนี่เป็นเรื่องว่าทุกจะมีเพราะยึดนะยึดมั่นในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นต้นนะยึดมั่นในความคิดเห็นของตนนะยึดมั่นในเลิกยามนะหรือพวกครับผมต่างๆนี่จนเกินพอดีแล้วก็ยึดมั่นในตัวในตนนะว่าเป็นเราเป็นเขาเนี่ ว่าของเราว่าของเขานี่จนเกิดการแบ่งพักเป็นพวกอ่าถือโมถือพวกอ่อย่างนี้แหละได้ว่าเป็นอุปาทานก็จะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนดะัะนั้นเราไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นนะจะทําให้เรานะเกิดความทุกข์มาทีนี้ก็เราก็ลองมามองดูกันต่อไปอีกว่าเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแน่นอนที่สุดความสุขอ่านะความสบายใจก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่เรา นะย่อมจะเกิดขึ้นแก่เราเอา้าทีนี้ก็ลองมาดูว่าการที่เราได้ให้อามิตรทานก็ดีธรรมทานก็ดีอภัยทานก็ดีนั้นเราจะให้อย่างไรนะอันนี้ก็คือว่าการให้อามิสรทานก็เป็นการเสียสละทรัพยนะ์เสียสละทรัพย์เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่ออนุเคราะห์แก่คนอื่นเพื่อบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ อย่างนี้แล้วเรียกว่าเป็นอามิสสถานนะเรียกว่าอามิสสถานเช่นว่าเสียสละทรัพย์ในการสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างโรงเรียนสร้างสนนทนทางอสร้างสะพานอนะสร้างโรงพยาบาลอนะอย่างนี้ก็ได้ชืี้ว่าเป็นอามิสสถานนะแล้วก็เราอาจจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกับคนยากคนจนเช่นช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือพวกคนหูหนวกตาบอดอ่นะ พวกบ้านเมตตาบ้านกรุณามุติตาอุเบกขาอะไรเนะี่ยอย่างนี้ก็เป็นการอนุเคราะห์นะอนุเคราะห์หรือว่าเราช่วยเหลือในคราวที่เพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมชาติของเราที่ตกละกรรมลำบากในคราวที่เกิดวาตภายัยเกิดอุทกอภัยเกิดอักขีภยัยอ่าอย่างนี้ก็เป็นการอนุเคราะห์นะช่วยกันเพื่ออนุเคราะห์ส่วนที่เราให้ทานเพื่อบูชาคุณก็คือว่าให้กับ ผสงองเนนให้กับบิดามันดาครูประชาอาจารย์อย่างนี้เป็นการให้เพื่อบูชาคุณของผู้มีพระคุณอันนี้ก็ได้บุญมากด้วยกันทั้งสองอย่างนะได้บุญมากส่วนธรรมทานนั้นก็ได้แก่ชี้แนะแนวทางให้รู้จัก บ, บาปปุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์จะลอดจนกระทั่งมีการอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ต่างๆให้เล่าเรียนศึกษาวิทยาการต่างๆนะหรือให้อบรมบ่มนิสัย อจะด้วยการจเจริญสมถะภาวนาหรือทำสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นแน่วแน่อย่างนี้ก็จะว่าเป็นธรรมทานนะส่วนอภัยทานนั้นก็คือว่าเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันคือลดย่อนพรอโทษกันนะลดย่อนพ่อนโทษกันคือได้แก่การเว้นจากการประทุษร้ายกันเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัย อยู่ด้วยกันอย่างมีเมตตาจิตกับคนและสัตว์ทั่วไปข้อนี้เราจะเพงเห็นในในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท, ที่ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าลดย่อนพ่อนโทษกับพวกนักโทษที่ต้องโทษถึงประหารชีวิตก็ดีหรือจำคุกตลอดชีวิตก็ดีที่มีการปรดปล่อยในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาหรือว่าวันปีใหม่อะไรอย่างนี้นี่แหละถือว่าเป็นอภัยทาน ดันั้นในทานทั้งสามอย่างนี้ถือว่าเป็นทางที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญบุญกุศลทั้งสิ้นนะทั้งสิ้นทีนี้มาในข้อที่สองนะข้อที่สองนี้ก็คือศีลใหม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลอันนี้ก็หมายความว่าการรักษาศีลจัดว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งนะจัดว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วก็ ศีลนี้ก็มีประเภทต่างๆกันนะมีประเภทต่างๆกันคือนหนึ่งศีลห้านะศีลห้านี่เรียกว่านิจศีลเป็นศีลที่คนเราต้องมีประจาอยู่ทุกคนนะทุกคนแล้วก็มีอยู่เป็นนิดด้วยนะต่อไปก็คือศีลแปดนะศีลแปดนี่เรียกว่าอุโบสถศีลเป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกา เข้ารักษาศีลในวันพระหรือว่าในวันโกนวันพระหลังวันพระหรือว่าเฉพาะวันพระวันอุโบสถอ่าอย่างนี้เรียกว่าอุบาอุโบสถศีลหรือมีอีกศีลหนึ่งเรียกว่าศีลสิบนี่เป็นศีลของสัมมาเนนะเป็นศีลของสัมมาเนนี่เป็นศีลประเภทที่สองเรียกว่ามัดฉิมศีลก็ได้แก่ศีลแปดและศีลสิบที่สามก็คือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด อันนี้เป็นศีลของพระภิสุนศีลสองร้อยี่บเจ็ดเขาเรียกว่ามหาศีลนะเรียกว่ามหาศีลศีลอันนี้เป็นศีลของพระพิสุหรือเรียกว่าปาฏิสุทธิศีลก็ได้ะเรียกว่าปาฏิสุทธิศีลฉะนั้นส่วนศีลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าศีลของพิกษุนีก็คือมีศีลถึงสามร้อยสิบเอ็ดข้อแต่ว่าตอนนี้พิกษุนีก็ได้หมดไปแล้วนะได้หมดไปแล้ว ฉะนั้นในศีลทั้งสามประเภทนี้เรียกว่านิจศีลได้แก่ศีลห้ามัจจิมศีลได้แก่ศีลแปดศีลสิบแล้วก็มหาศีลได้แก่ศีลสองร้อยิบเจ็ดนี้อันนี้แหละได้ชื่อว่าศีลละไม่นะฉะนั้นการที่เราจะรักษาศีลอย่างนี้ก็ให้สมกับฐานะของตนนะให้สมกับฐานะโดยคนทั่วไปก็มีศีลห้าคนเราต้องมีศีลห้าแน่นอนที่สุดสังคมก็จะอยู่ร่วมเย็นเป็นสุขไม่มีการเบียดเบียนกัน ไม่มีการเอาเปรียบด้วยการลักขโมยกันจกสิงวิ่งราวกันนะอันนี้มันก็สบายนะไม่มีการประพฤติผิดประเวณีในทางลูกเสียงเปล่นรสนะไม่มีการฉุดข่าอนาจารไม่มีการพูดโกโหกหลอกลวงกันไม่มีการอิจฉาเสียกันไม่มีการว่ากล่าวก้าวร้ายซึ่งกันแลยกันไม่มีการเรียกว่าผิดศีลด้วยการดื่มน้ําเมาดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททําให้ขาดสติ นะเมื่อความเราเมื่อขาดสติก็สามารถทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้นะตั้งแต่ต่ําสุดจนสูงสุดนี่ทําลายได้ฉะนั้น<ม>เพียงเรารักษาศีลห้าข้ อ, ขอก็เท่ากับว่าเรานี้ต่ออายุให้กับตัวเองและต่ออายุให้กับทุกทุกคนอีกด้วยถ้าเราทุกคนไปนอย่างนี้สังคมตัวเองก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขครอบครวัวก็อยู่ร่มร่มเย็นเป็นสุขสังคมก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนี่ฉะนั้น ขอให้เราทุกคนอย่างน้อยๆก็มีศีลห้าประจําใจนะศีลห้าประจําใจบางคนเขาบอกว่าเข้าพรรษาเขาถือศีลานะถือศีลก็อห้าคือเว้นจากการดึกนะเว้นจากการดื่มสุราเมรัยนะเขาหยุดสามเดือนแต่พอออกพรรษาแล้วก็เพิ่มไปอีกเก้าเดือนฮ <c oughs> เลยหนักใหญ่เลยเรียกว่าชดเชยนะเป็นการชดเชยกันแม้อันนี้มันก็ยา ยังเมื่อสองเมื่อสองสามันมานี้จะมาได้ได้คุยกับคนน่ะซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นนักบวญนะแล้วเขาก็ออกไปเขาบอกว่าแ่เพอออกไปใช้ชีวิตคารวะนี่รู้สึกว่าการการดำรงชีวิตคารวะนั้นพวกสุราเมรัยนี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะมันเป็นสิ่งจำเป็นทุกคนคิดอย่างนั้นนะ ใช่ทังเราจะบอกว่ามันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยรู้สึกกขาบอกมันเป็นสิ่งจําเป็นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ดื่มไม่ร่วมกับเขานี่รู้สึกว่าเขาจะเป็นเรื่องตกอกตกใจกันนะตกอกตกใจกันว่าแหมเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มเป็นแน่นเป็นอย่างนั้นมันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบยานี่รู้สึกว่าเหมือนว่ามันไม่เป็นแมนไม่เป็นลูกผู้ชายว่าอย่างนั้นเถอะนะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นนี่อันนี้มันก็พูดยากนะพูดยาก ซึ่งโดยเฉพาะอาตมาก็จะเป็นคนต่อต้านอย่างนี้มาหลายสิบปีนะหลายสิบปีก็ได้ผลบ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ทำได้ไปนะแล้วก็ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์หรือพวกระดับนักเผยแพร่ต่างๆระดับเจ้าวาดต่างๆช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เยาวชนของเราหรือประชาชนของประเทศชาติของเรานี่จะทําให้มีสมรรถภาพมีสติกําลังอ่า กาแข็งแรงกําลังปัญญาแข็งแรงขึ้นได้นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันต่อต้านแน่นอนที่สุดอประเทศชาติพลเมืองของเราก็จะอ่อนแอนะกลายเป็นวกาพลเมืองที่เต็มไปด้วยพวกขี้เมาอตอนนี้ก็อยังพวกเราก็จะรู้กันโตทั่วไปว่าตอนนี้ก็มีพรานับต่อต้านอยู่ท่านหนึ่งซึ่งท่านทคงจะทราบดีก็ยังเป็นอ่าท่านอาจารย์พยอมนี่ก็รู้สึกว่าเป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาก็ต่อต้านเรื่องนี้มากนะก็ เป็นธรรมดานะเมื่อต่อต้านเรื่องนี้ก็ยอ่อมมีโต้ตอบนะเมื่อต่อต้านก็ยอ่อมมีการโต้โต้ตอบอือก็เป็นธรรมดานะแต่ก็รู้สึกว่าท่านก็มีจิตใจเข้มแข็งดีนะโกนาอนุมโมตนาเอา้าทีนี้ก็มาพูดกันต่อไปว่าพูดถึงศีลศีลห้านี่ทุกคนควรจะมีประจําจิตประจําใจนะประจําจิตประจําใจก็จะทําให้เกิดความสุขความร่มเย็นแก่ตัวเองและแก่ส่วนรวม ทีนีคนที่ปราจำนาที่จะให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นไปนะดีกว่าดีอย่างกลางอันนั้นเป็นการดีอย่างอย่างต้นดีอย่างหยับหยาบดีอย่างกลางก็คือต้องมีศีลแปดอูโบโสถศีลอันนี้แสดงว่าจิตใจสูงขึ้นอีกหน่อยนะเป็นคนมีจิตใจสูงขึ้นอีกหน่อยก็คือรักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อนะเนะนะพิอ่มอีกสามข้อก็คือว่าไม่บริโภคอาหารในยามวิกาลนะ แล้วก็ไม่ไ ม, ไม่รูปไล้ชาบทาของหอมหรือไม่ฟ้อนรำขับร้องประกอบดนตรีไม่รูปไล้ชาบทาด้วยระเบียบของหอมเป็นต้นอ่าอย่างนี้ก็คืองดเว้นอ่าไม่ติดแล้วแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่าไม่นั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยัดตืนุ่นและสามรีนี่พวกศินแปดนะสินแปดอ่า ส, ส่วนสินสิบนั้นก็อ่าเขาเอาสินแปดมารวมก็คือในข้อที่บอกว่า นัจทีก็คือว่าไม่ฟ้อนรำคับร้องประโคมดนตรีกับอีกข้อหนึ่งก็คือมาลาคันทวิเรที่บอกว่าไม่โลกไร้ทัดทรงดอกดอกไม้มีระเบียบของหอมเป็นต้นเนี่อันนี้ก็นในข้อเอาสินแปดเอาสองข้อมารวมกันแล้วก็สุดท้ายก็คือชาตารูปราชตะก็คือว่าไม่จับเงินและทองนี่อย่างนี้ก็เป็นศินสิธเป็นของส ม, มนเณรส่วนศีลของ ระปิสูร น, นั้นมี227ข้ออันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นมหาศีลซึ่งเป็นศีลรที่สูงขึ้นนะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้ตามฐานะก็แน่นอนที่สุดตนเองก็จะได้รับความสุขประนีตขึ้นตามฐานะตามสภาวะาของตนนะอันนี้ก็ถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรจะกระทำนะเพราะการที่เรารักษาศียนั้นก็เท่ากับว่าเรารักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยนะ คำว่าศีลนี่เป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยขอให้คำฟั่งให้ดีศีลคาเดียวเนี่ยศีละเนี่ยมันแปลว่าเย็นนะฮะศีลละเนี่ยแปลว่าเย็นคนมีศีลเป็นคนเย็นเย็นอะไรเย็นกายเย็นใจนะคือไม่มีเวรไม่มีใครไม่มีภยัยมันก็เย็นกายเย็นใจสบายกายสบายใจอนะะคนมีศีลนนะแล้วก็ศีลนี่แปลว่าปกติ นะปกติปกติกายปกติวาจานะปกติกายปกติวาจามันอยู่เป็นปกติคือปกติของความเป็นมนุษย์ธรรมดาคนเราเกิดมานั้นไม่ได้ฆ่ากันเป็นปกตินะไม่ได้ฆ่ากันเป็นปกติที่จริงแล้วคนเราไม่ฆ่ากันเป็นปกติถ้าฆ่ากันก็ถือว่าผิดปกติอ่า คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรักของกันและกันเป็นปกติแต่จริงๆแล้วคนเราต้องไม่รักกันไม่เอาเปรียบกันเป็นปกติคนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะผิดประเวณีฉะนั้นการไม่ผิดประเวณีถ time, aken, <izon Italians. S 2> ือว่าเป็นปกติของคนเราคนเราเกิดมาไม่ใช่ไปจะต้องพูดโกหกหลอกลวงกันคนจริงๆแล้วคนเราเกิดมานั้นต้องไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่พูดคําหยาบไม่พูดเฟิรเจอร์ไม่พูดสียเสียดเป็นปกติอื คนเราเกิดมาไม่ได้ใช่ว่าจะต้องเป็นคนดื่มสุราเมรัยการทุกคนเป็นปกติจริงๆแล้วเราไม่ได้ดื่มเป็นปกติฉะนั้นความเป็นปกติเนี่ยคือคือปกติของความเป็นมนุษย์คือปกติของความเป็นคนมีจิตใจสูงนะปกติทางกายทางวาจาเหมือนกับ <c oughs> พระอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันออกเป็นปกติแล้วก็ส่องแสงสว่างไปเป็นปกติแล้วก็ไปตกทางทิศตะวันตกเป็นปกติ แต่ถ้าหากว่าพระอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศเหนือนั่นก็ถือว่าผิดปกตินผิดปกติพวกเด็กๆ เ, เหมือนกันพ่อแม่เลี้ยงลูกนะธรรมดาลูกก็รับประทานอาหารเป็นปกติเชา้าบลางวันเย็นะแต่ถ้าวันไหนลูกไม่ไ ม, ไม่ไม่กินซะแล้วนก็ถือว่าเอ๊ผิดปกติลูกเคยกินนมอยู่ดีๆแต่ว่ามาไม่กินเลยแล้วก็ถือว่าลูกผิดปกตินคนเราเหมือนกัน ถ้าเป็นคนที่เกิดมาเพื่อฆ่าสัตว์ก็ถือว่าคนนั้นผิดปกติของความเป็นคนเป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นอันตรภานักเล็กาขโามยน้อยอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนปิดผิดปกติเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นประกอบมิจฉาชีพไม่ใช่ประกอบสัมมาชีพคนเราถ้าเกิดมาชอบเป็นคนประเภทจิดประเวณีกดฆ่าอนาจารอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนผิดปกติคนเราคนไหนเกิดมาถือว่าชอบโกหกหลอกลวงคนนั้นก็เป็นคนผิดปกติ คนนายเกิดมาก็กินแต่เหล้าเมายาอยู่ตลอดชีวิตก็ผิดปกติอันนี้อาตมาได้ <c oughs> รู้จักคนหนึ่งแกก็บอกว่าแกดื่มสุรามาตั้งแต่เป็นวัยหนุ่มจนกระทั่งถึงห้าสิบปีเดิ่มจนนิดที่เรียกว่าขอประทานโทษอย่างภาษาชาวบ้านเ็าพูดว่าหัวรานนะ้ำว่างั้นเถอนะไม่หมดไม่เลิกจะมีกี่ขวดก็แล้วแต่ไม่หมดไม่เลิ ก, ก, ก, เ, ล ก, เ, ลกเรียกว่าพอใครส่งแก้วเหล้าให้นี้ กวจะยิบแก้วเหล้าเด็มือนี่สั่นแกงไปมาเลยขนาดนั้นเลยะถือแก้วเหล้าแล้วนี่บางทีแทบจะไม่ได้ดื่มเลยหกหมดมันสั่นไปหมดเลยอย่างนี้ก็มีแต่ว่ามาเจอกันเมื่อต้นปีนี้ปรากฏเป็นไงท่านผู้ฟังแกบอกแกเลิกแล้วนะแล้วเราก็สอบถามเป็นจริงแกทําไงเลิกโน่นบอกไปทํากระบอกนะไปทํากระบอกตั้งแต่นั่นมาจนกระทั่งบัดนี้เห็นเหล้าแล้วก็เบื่อนายเลยนะเบื่อหนายนี่ แล้วก็ลูกเมียก็บอกสบายใจเงินทองก็มีใช้อย่างสมบูรณ์เงินดาวเงินเดือนก็ขึ้นนี่เห็นไหมอันนี้มันชัดเลยเนี่ยเป็นคนคนมีปกติแล้วก็อะไรอะไรมันก็เป็นปกติไม่ขาดเหลือเฟือไฟเงินทองก็มีใช้ลูกเมียก็สบายใจเป็นปกติแต่ถ้าเป็นคนผิดปกติกินเหล้าเมายาแล้วก็มันลูกเมียก็ไม่สบายใจมีการทะเลาะเบาะแวงกันผิดปกติเงินทองก็ไม่ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าคนพอ ม า, าไปแล้วก็เบื่อการงานไม่อยากทําการงานอ่าอย่างเนี้ยมันผิดปกติกินแล้วก็ยังอารวาสทานถึงคนนู้นคนนี้เนี่ยเป็นคนผิดปกติทั้ง น, น, นะฉะนั้นจะบอกว่าศีรนี่แหละคือแปลว่าปกตินะและอีกอย่างหนึ่งความหมายของคําว่าศีเนี่ยคําว่าศีรเนี่ยมันจะคําว่าอศีละน่ะศีละคําว่าศีละเนี่ยแปลว่าศีลาศีลาก็คือก้อนหินนะศีลาก็คือก้อนหิน ไอ้นะก้อนหินเนี่ยมันหนักแล้วก็มันแน่นนะมันแน่นฉะนั้นคนมีศีนก็คือคนก็ท่าว่าคนใจหินนะคนใจหินก็คือคนที่มีใจหนักแน่นนะให้คนเมื่อใจหนักแน่นแน่นอนที่สุดกายมันก็หนักแน่นวาจาก็หนักแน่นนะวาจาก็หนักแน่นถ้าลองเลิกดูสิ ก้อนหินนี่เวลาลมพัดมันก็ไม่หวั่นไหวนะมันไม่หวั่นไหวมันอยู่นิ่งเป็นปกตินะคนมีศีลเหมือนกันใครดา่าใครว่าก็ไม่โกรธ น, นี่แหละคือคนคนมีปกตินะแล้วตัวเองก็ไม่ดา่าไม่ว่าใครอยู่เป็นปกตนะินี่แหละเขาเรียกว่าคนคนมีศีลนะคนมีศีลอยู่ในใจหรือว่าให้สังเกตดูไอ้ก้อนหินนี่ใครจะไปเหยียบไปย่า นะใครจะเหยียบจะย่ำขอประทานโทษใครจะออุจจาระปัสสาวะรถมันมันไม่เคยโกรธนะเอาไม้ไปตีมันก็ไม่เคยโกรธเอามีดไปตีหรือเอาอะไรไปเคลื่อน ม, มันนี่มันไม่เคยโกรธเอาน้ําร้อนน้ําเย็นไปราดไปรถมันค้อนห็นมันก็ไม่เคยโกรธมันอยู่ของมันเป็นปกติฉะนั้นคนมีศีลนี้จึงเป็นคนมีปกติไม่มีเวรไม่มีภัยแกิดใครย่อมเอาภัยให้ให้กับผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธผู้อื่น นี่แหละคือคนมีศีลจึงเป็นคนที่เย็นเป็นคนมีแต่ความสุขเป็นคนมีแต่ความเจริญฉะนั้นเอเรามีศีลนั้นเราจะต้องรู้ถึงวิธีการรักษาศีลนะเพราะว่าศีลนี้เป็นเครื่องสัมบรมกายวาจาให้เรียบร้อยคนมีศีลเป็นคนเรียบร้อยทำอะไรมีระเบียบนะพูดจาก็ไพเราะอ่ อ, อนหวานนะมีระเบียบแบบแผนนะพูดถูกกาละเทศะนะพูดถูกบุคคลนะนี่ใช้ได้อย่างนี้แหละเรียกว่า คนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสังคมใดถ้ามีศีลสังคมนั้นจะมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีแต่ความรุ่มเย็นเป็นสุขครอบครัวใดมีศีลครอบครัวนั้นจะมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยประเทศชาติใดมีศีลประเทศชาตินั้นก็จะมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีแต่ความสงบสุขปกติสุขนมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองฉะนั้นการรักษาศีลนั้นก็ต้องรักษาด้วยหลักของวีรัตสามอย่าง ก็คือหนึ่งสมาทานวิรัตนะิสมาทานวิรัติก็คือสมาทานกับพระก็ได้นะจะสมาทานต่อหน้าพระพุทธก็ได้ข้าพเจ้าขอสมาทานถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจนี่อย่างนี้เรียกว่าสมาทานวิรัติงดเว้นด้วยการสมาทานไวนะ้ด้วยการสมาทานไว้ประการที่สองสัมปัตตาวิรัตนะิงดเว้นในเมื่อมีเหตุการณ์มาประสบเฉพาะหน้านะ เช่นว่าบางครั้งนี่เราอาจจะไปในงานงานกินเลี้ยงงานแต่งงานงานบวคพระปรากฏว่าเพื่อนเขายกเหล้ามาให้เราก็ตั้งใจดีว่าเราจะไม่ดื่มนี่ไม่เอาถือว่าถ้าดื่มไปแล้วมันไม่ดีมันผิดศีลนะเสียศีลไม่ดีก็เราผิดศีลแล้วก็จะทําให้เสียคนด้วยไม่เอาตั้งใจเลยบางงดเว้นจะไม่ดื่มเราเนี่อย่างนี้เรียกว่าสัมปัตตวิทัศ หรือว่าเราเดินไปก็ไปเจอคนที่ทําทองตกไว้อาจจะเป็นทองจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เราตั้งใจเราจะไม่เอาทองอันนะั้นถ้าเราจะเก็บเราก็จะเก็บเอามาประกาศอ่าหาเจ้าของให้เจ้าหน้าที่เขาประกาศหาเจ้าของไปแจ้งไว้นี่เรางดเว้นอย่างนี้เรียกว่าสัมปัสตวิทัสหรือเราอาจจะเดินไปเจอ ง, งูกําลังกัดอ่าลูกไก่หรือว่ากัดสัตว์อะไรเนี่ย เราก็ไปเห็นแล้วเราก็สัมปัตตะวิทัศ ก, ก็คือว่างดเว้นว่าเราจะไม่ตีไม่ทําลายไม่ฆ่า ง, ง, งูนะแต่ก็อาจจะหาวิหาวิธีการหรือหาอุบายที่จะให้ ง, งูนั้นไม่กินลูกไก่หรือไม่กัดสัตว์อะไรต่างๆนาน า, น า, น า, นานอาจจะ ค, อคอ่อยๆส่งเสียงอกระแอมกระไอหรือว่าไล่มันไปหรือเอาไม้เคีย่ยวมันไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนี่เลยว่าสัมปัตะวิทัศงดเว้นเมื่อเหตุการณ์นั้นประจวบขึ้นเฉพาะหน้า ประการที่สามก็คือสมุเทเฉทวิรัตก็คืองดเว้นอย่างเด็ดขาดอันนี้ได้แก่พระยบุคคลหรือภริ ย, ยเจ้านางดเว้นตลอดเลยทีนี้นี่เป็นวิธีการรักษาศีลถ้าเร า, าวิรัติกันทั้งสามอย่างแล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความเจริญเราจะไม่มีทุกข์เราจะไม่มีโทษจะไม่มีข้อกระหานินทาแต่ถ้าเรา ผิดศีลก็ถือว่าผิดปกตินั่นเองนะผิดปกตินั่นเองฉะนั้นอศีลที่ได้กล่าวมานี้เมื่อแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆแล้วก็มีศีลของคารวะกับศีลของพระนะศีลของคารวะคารวะนั้นก็มีศีลห้าศีลแปดพระนั้นก็อ่าถือศีลสองรอยี่สิบเจ็ดนะถือสองร้อยี่สิบเจ็ดนะฉะนั้นคนมีศีลก็คือคนวินัยนะวินัยก็คือศีลวินัยแปลว่านําไปวิเศษ นำไปแจ้งนะดันั tuo, ้ up, นคนมีศีลก็คือคนที่วิเศษนั่นเองนะคนวิเศษวิเศษกว่าคนไม่มีศีล่าแล้วคนคนมีวินัยก็คือคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ค like ือคนมีศีลนั่นเองคนมีศีลนั่นแหละคือคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะทําอะไรเป็นระเบียบไปหมดห้องหับที่อยู่ที่อาศัยมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะไว้เป็นที่เป็นทางอ่าจัดอยู่แบ่งประเภทกันอยู่อะไรนี่อย่างสม่ําเสมอเรียกว่า ใครเข้าไปแล้วก็อ่าดูก็งามตานะดูก็งามตาตัวของเราเองก็เรียกว่าหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามแต่ถ้าอะไรมันไม่มีระเบียบเรียบร้อยมันหยิบมันก็ไม่ง่ายหายก็ไม่รู้ดูก็ไม่งามนะดูก็ไม่งามดังนั้นสิ่งใดถ้ามันมีวินัยมีระเบียบมีศีลแล้วก็หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานะฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงเรียกว่ามาเป็นคนประพฤติศีลกันนะ ปฏิบัติศีลกันรักษาศีลกันนะก็จะทําให้มีความสุขมีความเจริญพูดถึงเรื่องของศีลแล้วก็มีเรื่องคำํำขำเรื่องหนึ่งก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เล่าไว้สักเรื่องหนึ่งก็ยังเช่น <c oughs> เขาบอกว่ามีโยมคนหนึ่งอ่าแกไปรักษาศีลอยู่ที่วัดปรากฏว่าในขณะที่แกนั่งรับศีลจับพระนะรัรบศีลจากพระตั้งแต่เริ่ม พุทธังสันังกัจฉามิคำมังสันังกัจฉามิสำครังสันังกัจฉามิไปอพอพระอาจารย์ท่านให้ไปถึงอ่าใกล้จะจบแล้วถึงทุติยมปิีติยมปีแล้วพอดีลูกสาวก็เลยวิ่งไปจากบ้านไปซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลวัดไปถามบอกว่าแม่มีคนเข้ามาซื้อหมูจะขายไหมแน่จะขายไหมในคันแม่จะตอบลูกสาวในขณะที่นั่งรับสินั้นก็เกรงใจพระพูดไม่ได้ ก็ได้แต่ตาชํเลืองจำเลืองไปดูนะพูดไม่ได้อ้าวลูกกว่ามากสีก็เศ้าอีกแล้วแม่จะขายหรือเปล่าอ่าคนก็มาซื้อหมูที่บ้านฮไอใจหนึ่งโยมก็อยากจะขายอีกใจหนึ่งก็พูดไม่ได้เพราะกำลังรับรับศีนอยู่ก็พอดีพระอาจารย์นั้นก็ให้ศีนไปถึงในข้อแรกพอดีว่าปานาติปาตาเวรมนีสิขาประทางสมาธิยามิฮะโยมแกก็ว่าตามทันทีเลย ตานาติปาตาตัวเล็กไม่ขายตัวใหญ่สี่สิบห้าเวเดมณีสิขาประธานสมาธิยามินี่เป็นอย่างนั้นไปท่านรู้ฟังทั้งหลายท่านลองนึกดูว่าอย่างนี้ศีลจะขาดไหมนะตานาติปาตาตัวเล็กไม่ขายตัวใหญ่สี่สิบห้าลูกสาวพอได้ฟังก็วิ่งแจ้นเลยอ๋อรู้แล้วอตัวเล็กแม่ไม่ขายอยาขายตัวใหญ่ก็เลยไปตกลงกใจคนที่มาซื้อได้อืแน่นอนที่สุดอย่างนี้แล้วก็ตัวเองมีเจตนา อนะมีเจตนาแต่ว่ามีอุบายหน่อยพูดตรงๆไม่ได้ก็เลยเอาศีลใส่ไปด้วยอนะอย่างนี้ก็ขาดแน่นอนนะขาดแน่นอนนะเอาเน่ก็พูดถึงเรื่องศีลก็ผ่านไปนะทีนี้มาในข้อที่สามภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาอนะหมายความว่าไงก็หมายความว่าเจริญสําเร็จด้วยการอบรมบ่มนิสยัย การอบดมบ่มในสัยก็คือว่าการศึกษาเล่าเรียนก็ดีนะการศึกษาเล่าเรียนก็ดีการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิก็ดีทําจิตใจให้เป็นสมาธิก็ดีหรือว่าเจริญกรรมฐานทั้งสองอย่างซึ่งสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายให้ใจสงบนะเป็นอุบายให้ใจสงบอนะวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายให้เรืองปัญญานะให้มีสติปัญญา สมถกรรมฐานก็คือให้เราพิจารณาเจริญกายยะคตาสติหรือเจริญโฟกอสุภะเนี่ยโฟกนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเรานั้นไม่สวยไม่งามหรือให้พิจารณาในกายของเรานั้นอเป็นของมีทุกข์มีโทษเป็นของหนา่าเปรตเป็นของโสโครกเป็นของสกปรกอะไรอย่างนี้เนี่ยจะทําให้จิตใจของเราสงบได้นะจิตใจของเราสงบจากนิวรณูปกิเลสได้อแล้วก็ในส่วนของวิปัสวิปัส วิปัสนากรรมฐานก็คือว่ากรรมฐานเป็นอุบายให้เรืองปัญญาอันนี้ก็ให้เราได้ยกสังขารขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามสภาพว่าธรรม อ, อย่างนี้ก็จะเป็นอุบายให้เกิดสติปัญญาสามารถถึงที่สุดก็คือว่าทําให้เรานั้นได้มรรคได้ผลได้นิพพานได้ นะทั้งสามอย่างนี้เลยวัดได้มรรคได้นิผลได้นิพพานได้ถ้าเราทําถึงที่สุดนะอันนี้แหละถือว่าเป็นการเจริญภาวนาแต่ถ้าเราพูดถึงในขั้นบ้อต้นการเจริญภาวนาก็คือว่าอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายมาศึกษาเราเรียนอ่านะในทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุบายที่จะทําให้จิตใจเราสงบเป็นอุบายที่จะทําให้เราเกิดสติปัญญานั่นแหละเรียกว่าภาวนาใหม่นะคําว่าภาวนานี้แปลว่าอบรมนะ แปล ว, ว่าทําให้เจริญนะภาวนาเนี่ยแปล ว, ว่าทําให้เจริญอย่างกับ <c oughs> ที่เขาชื่อว่าจิตภาวัน <c oughs> นะจิตภาวันซึ่งจะแปลเป็นไทยก็คือว่าทําจิตให้เจริญแปล ว, ว่าทําจิตให้เจริญอย่างหนึ่งหรือว่าจะแปลว่าอบรมจิตก็ได้นะแปล ว, ว่าการอบรมทางจิตอ่าการ สั่งสอนเกี่ยวกับให้รู้ถึงจิตใจของคนเราจะทำอย่างไรให้จิตใจของเราสงบทำอย่างไรจิตใจของเรามีสมาธิเราจะทําอย่างไรให้จิตใจของเราปลอดจากนิวรณูปกิเลสก็คือนิวรังห้านั่นเองนี่อั่งนี้จึงไม่ใช่ว่าจิตภาวันหรือจะพูดว่าทําจิตให้เจริญเพราะว่าคนเราเมื่ออบรมจิตปราศจากนิวรณูปกิเลสนะจะเป็นอย่างกลางอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็แล้วแต่ยิ่งเราอบรมให้จิตเราจเจริญมาก นะให้สงบมากจิตใจของเราก็เจริญมากสูงมากถึงที่สุดก็คือว่าจิตหมดกิเลสตัณหาก็คือถึงขั้นมรรคผลนิพพานอันนี้เราก็จะมีแต่ความสุขความสบายนะ <c oughs> ฉะนั้นนี่แหละจึงได้ชื่อว่าภาวนาใหม่เรียกว่าบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนานะฉะนั้นที่พูดมานี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างฉะนั้นก็ขอสรุปสั้นๆอีกนิดหน่อยว่าการที่อา่า พวกเราทั้งหลายได้มาศึกษาเล่าเรียนก็ดีได้มาปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องบุญกิยาวัตถุคือสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบางเพ็ญบุญเรียกว่าบุญกิยาวัตถุมีสามอย่างหนึ่งทานาิมัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานการให้ทานนั้นก็แยกออกไปอีกเป็นสามประเภทก็คือหนึ่งอารมิสทาน อ, อ, อารมิตรทานคือการให้อามิต คือการให้วัตถุสิ่งของข้าวน้ำของกินของใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ท่อนสบายยู่ยารักษาโรคทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ถือว่าเป็นอามิ t h a นะเป็นเหยื่อก็คือให้เหยื่่ เ, เพื่อให้คนติดนะดังนั้นการให้เหยื่อนี่ก็อาจจะล่อในทางที่ดีก็ได้ล่อไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ประการที่สองก็คือธรรมทานธรรมทานก็คือให้ความรู้ให้สติปัญญานะให้ความรู้ให้สติปัญญา แนะนํำท่ำสอนบอกกล่าวกันในทางที่ดีที่งามอันนี้ เ, เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานบอกทางดีชี้ทางชั่วให้นะเป็นการหรือว่าจะบอกให้เขานั้นหมดกิเลสตัณหาก็เป็นธรรมทานการที่สามอภัยทานก็คือการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันไม่ปะัะสาวร้ายกันไม่จองล้างจองผลาญกันไม่อาคตามาร้ายกันนะอันนี้เรียเป็นการให้อภัยกันนะเรียกว่าอภัยทาน ฉะ น, น, นั้นในทานทั้งในทานทั้งสามอย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะถ้าหากว่าอามิจตทานกับธรรมทานสองอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าธรรมทานนั้นมีประโยชน์มากกว่าแต่ถ้านับเป็นสามอมิจตทานธรรมทานกับอภยทานก็อภยพานนั้นถือว่ามีคุณประโยชน์มากนะมีคุณประโยชน์มากทีนี้มาในข้อที่สองก็คือศ <c oughs> ีละไมบุญสําเร็จโดยการรักษาศีลศีลนั้นก็แบ่งออกไปอีกหนึ่งนิจศีลได้แก่ศีลห้า สองมัชชิมาศีนได้แก่ศีลแปดศีนสิบสามมหาสีนก็ได้แก่ศีนสองร้อยบเ็ดหรือศีสามร้อยสิบเอ็ดของพิษุเนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศีนขั้นกลางและในขั้นสูงก็คือข้าขอว่าถานโทษเป็นศีนขั้นสูงนะเป็นศีนขั้นสูงก็คือได้แก่ศีนของพระิสุสองร้อยี่สิบเจ็ดศีนสามรอยสิบเอ็เป็นศีของพิุทีนี้มาใน นั้นการรักษาศีลก็ต้องรักษาด้วยหลักสามประ ก, การก็คือไวรัสนั่นเองมาในข้อสุดท้ายก็คือให้เรานั้นได้เจริญภาวนาก็คือรูปจักอบรมบ่มนิสัยด้วยการทำสมาธิก็ดีเจริญสมถะววิปัสสนาภาวนาก็ดีพก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันเถิดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเอาละ ข้าจามาได้ปัญญายเกี่ยวกับเรื่องบุญวิญยาวัตถุมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังสบายจจงประสบแก่ความสุขความเจริญขอเจริญพร